กรรมกรรมตัดไม่ได้ทุกชีวิตต้องชดใช้หนีก้กรรมขอจเจริญพรพี่น้องและญาติโยมที่รักตลอดจนกระทั่งท่านอุบาสกอุบาสิกาทุกๆ ท, ท, ท่านเลิกงามยามดีวันนี้เรามาปฏิบัติธรรมช่วงจังหวะที่มีเวลาว่างถือว่าเป็นเวลาเลิกดีหรือโอกาสดีในเวลาว่างเลิกแปลว่าโอกาส ยามแปลว่าเวลาว่างโอกาสก็ดีเวลาก็ว่างถือว่าเริกงามยามดีเราก็ได้ถือโอกาสมาปฏิบัติธรรมร่วมกันในช่วงจังหวะปีใหม่ซึ่งทั้งราชการหรือบริษัทห้างร้านต่างๆก็หยุดต้องการจะให้สัตบุรุษพุทธศาสนิกและท่านทั้งหลายได้คืนกลับยังบ้านเรือน ได้ทำบุญตักบาตรขึ้นปีใหม่ตามประเพณีของชาวพุทธความคิดอันเป็นมิจฉาทิฏฐิแต่ข้อเท็จจริงนั้นพระพุทธเจ้าสอนวันขึ้นปีขึ้นเดือนนั้นมีหลายอย่างเรามาสร้างความดีกันนั้นแสนยากลำบากอย่างนี้ ไม่เหมือนคนส่วนใหญ่ซึ่งเขาจะฉลองดื่มสุรายาเมาดื่มสุราฉลองปีใหม่ฉลองวันเกิดซึ่งชาวโลกเขานิยมกันพระพุทธเจ้าของเราสอนตรงกันข้ามวันเกิดของเราคือวันตายของแม่ขอให้เลี้ยงพ่อแม่จะเป็นกุศลอย่าเลี้ยงเล่ายาในวันนั้นถือว่าเป็นการฉลองอายุและฉลองวันเกิด อายุจะมั่นขวัญยืนไปอีกนานบางแห่งฉลองวันเกิดด้วยการดื่มสุรายาเมาหลากหลายมากด้วยความเห็นอันเป็นทิฏฐิมานะสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรงกันข้ามกับชาวโลกชาวโลกถือว่าจะต้องสนุกกันสักวันดื่มสุรายาเมาเลี้ยงฉลองกันอย่างหามรุ่งหามค่ำตลอดรายการลืมอดีตชีวิตที่ผ่านมา ลืมกฎแห่งกรรมวิบากกรรมแห่งการกระทาความชั่วช้าสามาร์ของตนน่าจะแก้ไขชีวิตของเราให้กลับร้ายกลายดีในวันปีใหม่หรือวันเกิดของเราก็จะเป็นประโยชน์สวัสดิผลในชีวิตของเราไม่ใช่น้อยแต่เรากลับไปเพิ่มกรรมสร้างเวรสร้างกรรมกินเหล้าเมายาเที่ยวทะเลทลาย วันขึ้นปีใหม่ของชาวพุทธวันขึ้นปีใหม่สําหรับพระพุทธเจ้าทรงสอนมีสองวิธีจันทรคติเดือน5คือเดือนหนึ่งแต่สากล น, นิยมทั่วโลกก็ถือว่าวันที่หนึ่งมกราคมเป็นวันขึ้นปีใหม่แต่ทางจันทรคติหรือในทางพุทธศาสนาถือว่าเดือนหเป็นเดือนสําหรับเปลี่ยน12นักษัตว์ ชวดฉลูขานเทาะเปลี่ยนในเดือนหาพอถึงเดือนห้าแล้วจะเปลี่ยนจากชวดเป็นฉลูเป็นขานเทาะไปตามลำดับแต่สำหรับพอสอเปลี่ยนตั้งแต่วันที่หนึ่งมกราคมเป็นต้นไปแต่ถ้าเปลี่ยนสิบสองนักสัตว์ก็คือเดือนหจากปีชวดเป็นฉลูไปตามขั้นตอนดังที่กล่าวมาแล้ว แต่พอสอก็เปลี่ยนไปตามสากลนิยมซึ่งก็เปลี่ยนไปตามจันทรคติและสุริยคติไปตามสภาพของพอสองและข้างขึ้นข้างแรมเป็นต้นมันก็ไม่เหมือนกันสิ่งที่ชาวพุทธพึงกระทำท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลาย ถ้าเราได้มีโอกาสในวันขึ้นปีใหม่หรือวันเกิดถ้าท่านต้องการจะให้เจริญในชีวิตของท่านวันเกิดเราก็เจริญกรรมฐานสวดพาหุงมหากามีมีดอนมารดาก็ไปเลี้ยงเลี้ยงบิดาเลี้ยงมารดาหรือถ้าหากท่านล่วงลับไปแล้วก็บังสกุลอุทิศถวายถวายสังฆทานให้ท่านเป็นต้นการทำบุญตักบาตร สวดพาหุง ม, มหากาเจริญกรรมฐานในวันนั้นท่านจะต่ออายุท่านไปอีกหนึ่งรอบคนรุ่นใหม่บางคนไม่เคยเข้าวัดปฏิบัติธรรมก็ถือว่าวันเกิดนั้นเป็นวันสนุกมากมายกินเหล้ามายาเลี้ยงเพื่อนพ้องพี่น้องเยอะแยะลืมแม่ลืมพ่อลืมชาติปภมูมาตุภูมิลืมบ้านเกิดเมืองนอนของตนลืมหมด คนที่เจริญกุศลภาวนาพ่อแม่อยู่ไกลอยู่ถึงสหรัฐอเมริกาลูกอยู่เมืองไทยเป็นนักเรียนมาอบรมเขาก็นั่งเจริญกรรมฐานสวดพาหุงมหากาอุทิศให้พ่อแม่ซึ่งอยู่สหรัฐอเมริกาเขาเรียนหนังสือเก่งอายุยืนไม่มีเหตุการณ์อย่างอื่นแต่ประการใดทำถูกวิธีแต่บางคนไม่เคยเข้าวัดปฏิบัติธรรม ก็ได้ความว่าไปเที่ยวสวนเสเฮ ห, หาในวันเกิดและในวันขึ้นปีใหม่ดื่มกันไม่ขาดสายและก็ไปเที่ยวกันไม่เคยคิดที่จะบำเพ็ญประโยชน์ให้กับผู้มีบุญคุณในชีวิตเลยถ้าเรามาเจริญพระกรรมฐานจเจริญสติปัฏฐานสในวันนี้ซึ่งเป็นวันขึ้นปีใหม่ที่จะถึงในวันพรุ่งนี้แล้ววันนี้เป็นวันที่31เอด ความเจริญก็จะเกิดกับท่านทำอะไรทบทวนชีวิตให้ผลดีมากตั้งแต่ต้นปีมาจนถึงปีนี้เป็นยังไงเดินจงกรมปฏิบัติธรรมกรรมฐานถึงหากว่าผู้คนจะมากมายกายกองก็ตามเราตั้งสติอารมณ์และใช้ความอดทนหน่อยเพราะว่าคนมันมามากด้วยกันก็อาจจะเป็นไปได้ จเจริญกรรมฐานต้องพูดน้อยนอนน้อยกินน้อยทำความเพียรให้มากเราก็ทำได้ถ้าเรามีความขันติอดทนสร้างกุศลให้มากการปฏิบัติธรรมหรือการทำบุญนี่ง่ายตัวอย่างเช่นมาถวายสังฆทานวันนี้ก็มาทำบุญถวายซองในวันขึ้นปีใหม่ด้วยกันทั้งนั้นแต่เขาก็ไม่เคยคิดจะมาจะเจริญกรรมฐานและ จะสวดพาหุง ม, มหากาเพราะเขาสวดไม่ได้อายุก็เยอะกันแล้วแต่สวดกันไม่ได้แล้วจะให้ลูกหลานสวดได้ยังไงในเมื่อพ่อแม่ปู่ย่าตายายเองก็ยังสวดไม่ได้ลูกหลานก็ต้องสวดไม่ได้รุ่งเรืองได้ด้วยการปฏิบัติธรรม เมื่อเร็วๆนี้มีโยมคนหนึ่งมาหาญานั้นสวดภาหุงมหากาสวดมนต์ไหว้พระหลานอายุห้าขวบสวดได้หมดสวดตามได้ชัดเจนก็ทำให้ญาดีอกดีใจแล้วก็ทำให้หลานมีความคิดมีความคิดคำคมมีปัญญาด้วยการสวดมนต์เนี่ยสำคัญที่สุด หากพ่อแม่ไม่เคยสวดหรือไม่เคยทำไหนเลยลูกหลานจะทำได้เขาก็จะทำไม่ได้เช่นเดียวกันท่านทั้งหลายอาตมาสังเกตมานานคนที่ครบรอบวันเกิดของเขาเขาจะไปหาพ่อหาแม่ไปเจริญกุศลภาวนาไปปฏิบัติธรรมกรรมฐานเขาก็จเจริญรุ่งเรืองตลอดมาไปมีบุตรธิดาดีหมดทุกคน แล้วในวันนี้ขึ้นปีใหม่เขาก็ทําแบบนั้นก็เจริญพระกรรมฐานมากน้อยเพียงใดก็ไม่เป็นไรเรามาสร้างบุญสร้างกุศลไว้ในจิตใจปีเก่าล่วงเลยไปแล้วปีใหม่ก็เข้ามาแทนที่เรามาสร้างความดีกันต่อไปขาดเติมเกินตัดประหยัดเวลาชีวิตนี้จะมีหน้ามีตามีอายุก็มั่นขวัญยืน มีเวรกรรมอะไรมาก็แสดงผลงานมันก็เบาลงเบาลงไปตามกำหนดนั้นมีความหมายอย่างนี้สิ่งที่ได้รับจากการปฏิบัติการเดินจงกรมการปฏิบัติธรรมก็มีญาติโยมมาถามกันเรื่อยว่าการปฏิบัติของสำนักโน้นเป็นยังไง สำนักนี้เป็นยังไงก็มาถามกันอย่างนี้อาตมาก็ตอบไปว่าไม่ทราบเหมือนกันแต่เราปฏิบัติมาหลายอย่างธรรมกายเราก็ทํามาแล้วยืนหนอห้าครั้งเราว่าจะได้ใช้เวลาถึง10ปีไม่ใช่วันสองวันแล้วจะได้บางแห่งเขาถามว่าจบคอร์สเป็นยังไง อตาตมาก็ตอบว่าไม่ทราบเราจะทราบแต่ก็สิ่งที่เราทําอยู่เล็กๆน้อยๆหรือธรรมกายสัมมาอรหังผู้หญิงซ้ายผู้ชายขวานั้นก็ไม่ต้องไปตําหนิติเตียนซึ่งกันและกันบางคนบอกวัดโน้นไม่ดีวัดนี้ไม่ดีวัดโน้นดีอย่างนี้ก็เป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้อง เรื่องการปฏิบัติธรรมนั้นทำให้เกิดสติปัญญาทำให้เราแก้ปัญหาชีวิตทำให้มีสติมั่นคงจิตใจไม่ละหลวมจิตใจเหลาะแหละเหล้วไหลทำอะไรก็มีสติมีปัญญาทำอะไรก็แก้ปัญหาได้กรรมเก่าที่เราทำก็จะหมดไปกรรมใหม่เราก็ไม่ทำก็เป็นการถูกต้อง เกิดมาพึงมุ่งกระทำแต่ความดีถ้าหากว่าวันเกิดของเรามานั่งกรรมฐานสวดภาหุงมหากาทําบุญตักบาทหน้าบ้านวันนั้นไม่ต้องไปไหนหยุดสักวันหนึ่งถ้าท่านจเจริญกรรมฐานในวันคล้ายวันเกิดของท่านท่านจะมีแต่ความจเจริญรุ่งเรืองวัฒนาสถาพรแต่เท่าที่อาตมาได้สังเกตมานานแล้วบางบ้านเนี่ย วันเกิดจัดเลี้ยงเล่ากันใหญ่โตเลี้ยงโตจีนกันแต่ไม่มีพระไปสวดเลยมีแต่เหล้าสุรายาเมามาเป็นของขวัญในวันเกิดวันเกิดเลยไม่มีความเจริญแต่ประการใดสร้างความดีเพื่อเป็นของขวัญวันเกิดได้ไหมวันขึ้นปีใหม่สร้างความดีโดยสคสสวัสดีมีชัยวันคล้ายวันเกิด วันคล้ายวันขึ้นปีใหม่จะได้ส่งความดีไปให้บิดามารดาปู่ย่าตายายที่ล้มหายตายจากไปแล้วสู่สำปรยัยยพเราก็สวดมนต์ไหว้พระแผ่เมตตาบุตรทิ่ดาเรียนอยู่สหรัฐอเมริกาหรือเรียนอยู่ที่ไหนก็ตามก็จะได้รับส่วนบุญกุศลจากบิดามารดาที่อยู่ในประเทศไทยถ้าเราเป็นลูกเป็นหลาน พ่อแม่จะอยู่ประเทศไหนเราก็ส่งกระแสจิตด้วยการสร้างความดีไปให้เรียกว่าสคออสอส่งไปทางโทรจิตเหมือนอย่างวีโก้สามารถนั่งกรรมฐานแม่อยู่นอร์เวย์ยังหายจากโรคร้ายได้มีตัวอย่างอยู่เยอะแยะบางคนก็ไม่ได้สนใจในเรื่องนั้นเลยไปสนใจแต่เรื่องที่ไม่เป็นเรื่องเป็นราว ไปสนใจเรื่องที่มันไม่ได้สาระการทำบุญด้วยสตางหรือถวายสังฆทานที่ญาติโยมากันเต็มกุฏิทุกวันประการที่สองมาถามปัญหามีข้อข้องใจและแก้ปัญหาไม่ได้แม้จะบอกไปก็แก้ไม่ได้ทำไมจึงทำไม่ได้อัตมาบอกให้แก้อย่างนี้โยมหายใจยาวๆตั้งสติไว้ จเจริญพระกรรมฐานตั้งสติชนะใจได้ไหมอิรยาบทต่างๆเก็บเข้าไว้ตั้งสติไว้แล้วก็เอาชนะใจตัวเองให้ได้จะทำได้ไหมอิสระเสรีของชีวิตทำได้ไหมถ้าทำได้โยมหายโรคหมดโรคลมเพลลมพัดโรคมะเร็งโรคหืดโรคหอบหายหมดเพราะจิตใจชนะ ก็ชนะโรคทั้งหมดไม่ต้องไปให้คนอื่นมาเสกมาเป่าหรือไปให้พระรดน้ำมนต์หรือเป่าศีษะอย่างที่เคยไปทำกันมาตามวัดต่างๆก็ขอฝากเอาไว้ให้ข้อคิดด้วยนะกรรมตัดไม่ได้ทุกชีวิตต้องชดใช้หนี้กรรม ถ้าหากท่านสวดมนต์ไหว้พระรับรองว่าท่านจะได้ผลอย่างแน่นอนเจริญพระกรรมฐานตั้งสติไว้นี้เป็นการต่ออายุของตัวเองไม่ใช่เอาพระต่ออายุหรือเอาพระตัดกรรมบางคนก็ไปหาหมอดูแล้วหมอดูก็ดูว่าจะตายก็เลยไปหาพระตัดกรรมให้สวดมนต์ให้แล้วก็ถวายจตุปปัจจัยทยทานตัดกรรมให้หมดไป ไม่ใช่เลยกรรมเนี่ยตัดไม่ได้ต้องใช้กรรมอาตมานี่ใช้มาหมดแล้วหลายอย่างแล้วอาจจะมีอีกยังไม่รู้อะไรจะผุดขึ้นมาการนั่งเจริญกรรมฐานทําให้เห็นกรรมของตัวเองจากการกระทําครั้งอดีตชาติจะได้โโปรมาใช้หนี้ให้หมดในชาตินี้ชาติหน้าเราจะได้ไม่ต้องมาเกิดอีกต่อไป จะดีกว่าไม่ใช่หรือแต่เรากรรมใหม่ก็ไม่สร้างกรรมเก่าก็จะใช้ถ้าจะใช้หนี้กำรรเก่าโอ้อนาตวัสนาอนิจจาเอ๋ยเกิดมามีกรรมเกิดมาทำไมเกิดมาใช้หนี้เก่าเกิดมาสร้างความดีใช้หนี้เก่าให้หมดไป ระลึกถึงอดีตของชีวิตได้ด้วยกรรมฐานท่านสาธุชนที่รักทั้งหลายการเจริญกรรมฐานต้องการจะรู้กฎแห่งกรรมระลึกถึงอดีตของชีวิตได้เช่นยืนหนอห้าครั้งยืนหนอไปถึงปลายเท้าแล้วก็ยืนขึ้นมาขอให้จิตกับสติอยู่ด้วยกันอย่างช้าช้า รับรองโยมจะรู้กฎแห่งกรรมชัดเจนจะรู้ว่าเราสร้างกรรมอะไรไว้ในจิตใจมันมีอะไรมันจะขยายออกมาเรามองไปดูเห็นคนโน้นเดินมาสติจะบอกทันทีเลยว่าคนนี้มีนิสัยไม่ดีมันย้อนมาหาเราเองคือเห็นหนอก็คือยืนหนอห้าครั้ง ก็ขอให้ผู้ปฏิบัติทำปฏิบัติตามนี้ส่วนมากผู้ปฏิบัติก็ไม่ค่อยจะทำตามอาตามาไปพูดถึงวัดโน้นบ้างวัดนี้บ้างคิดหนอที่ลิ้นปีดันไปคิดที่สมองพาไปคิดที่หัวใจคนละเรื่องกันเลยที่ลิ้นปีเนี่ยหายใจลึกๆตั้งสติเอาไว้ให้ชัดเจนโกรธหนอ โกรธหนอถ้าเรามีสติดีแล้วเราจะหายโกรธทันทีสติตัวกลางมันจะบอกว่าโกรธเขาทำไมส่วนสติตัวปลายคือปัญญาก็จะบอกว่าเสียเวลาเราไปโกรธเขาเนี่ยเราเป็นคนงโง่เราไม่รู้เลยว่าเราโกรธเขาเราไปโกรธเขาเราก็บาปคนเดียวคนอื่นไม่ได้บาปด้วย เราบาปของเราคนเดียวเท่านั้นดีชั่วอยู่ที่ตัวเป็นผู้กระทำขอเจริญพรญาติโยมว่าดีชั่วประการใดไม่ใช่คนอื่นทำให้แต่เราทำของเราเองเราทำตัวเองบาปก็บาปอยู่ที่ตัวเอง คนอื่นเขาไม่รู้เรื่องด้วยไปโกรธว่าคนโน้นเขาดา่าคนนี้เขาดา่ากลับไปเนี่ยกูจะไปเล่นงานมึงแต่ตนเองเล่นงานตนเองไปแล้วโดยไม่รู้ตัวอ่านตัวเองไม่ออกบอกตัวเองไม่ได้ใช้ตัวเองไม่เป็น เมื่อเกิดปัญหาก็ต้องแก้ด้วยตัวเองวิธีการแก้ปัญหาง่ายที่สุดที่อาตมาพูดให้โยมฟังคือแก้ปัญหาให้ตัวเองไม่ใช่ให้คนอื่นมาแก้ปัญหาของเราคนอื่นจะมาแก้ปัญหาเราได้อย่างไรและคนเป็นร้อยเป็นพันคนเนี่ยปัญหามันคนละเรื่องทั้งนั้นลองไปถามดูซิว่ามีปัญหาเรื่องอะไรเรื่องผัวบ้าง เรื่องเมียบ้างเรื่องลูกบ้างสารพัดเรื่องเมื่อวานนี้มากระซิบบอกแต่เช้าเลยว่ามีปัญหาเรื่องสามีเจ้าชู้อาตมาก็บอกว่าเรื่องของเขานี่เราจะมานั่งกรรมฐานหรือจะมานั่งเรื่องเจ้าชู้นั่งให้เห็นผัวไปเจ้าชู้กับใครอย่างนั้นหรือไม่ทราบว่านั่งอยู่ในที่นี้หรือเปล่า ขอประธานโทษนะมาถามที่กุติเลยสงสัยเลอะเกินก็บอกว่าจะไปยุ่งกับเขาทำไมจะมานั่งกรรมาฐานหรือเปล่าเนี่ยจะมาเจริญกุศลภาวนาหรือเปล่าและจะไปพูดเรื่องสามีทำไมล่ะถ้าคนยังไม่มีสามีก็ดีไปไม่ต้องพูดเรื่องสามีเจ้าชู้ส่วนคนที่มีสามีแล้ว ก็อย่าไปยุ่งกับเขาขอให้ตัดกังวลเหล่านี้ออกไปซะอย่าไปคิดว่าสามีเจ้าชู้หรือไม่เจ้าชู้ไม่เป็นไรอาตมาว่าดีแล้วเขาทำดีแล้วเขาเจ้าชู้เนี่ยดีที่สุดแล้วเรามานั่งกรรมฐานก็เป็นเรื่องของเราอย่าไปเอาเรื่องของเขามาคิดเชื่ออาตมาสิ โยมผู้ชายเห็นด้วยกับอาตมาไหมแต่ถ้าหากว่าไม่เห็นด้วยก็ตามใจนะโยมผู้ชายที่มานั่งกรรมฐานก็ไม่ได้คิดเรื่องครอบครัวหรือเรื่องอะไรตัดกังวลหมดและไม่ต้องคิดเลยว่าคนโน้นจะรักเราหรือไม่รักเรานะเรามานั่งกรรมฐานให้ได้ก็แล้วกัน ความศรัทธาในการปฏิบัติธรรมของคาทอลิกขอยกตัวอย่างฝรั่งชาวเยอรมันค้นหามาทางอินเทอร์เน็ตเขาไม่เคยมาหลงไปเลยจะมาวัดที่อัมพวัลแต่เลยไปจนถึงชัยนาธเอ๊ะมาถึงวัดอัมพวัลหรือยังน่าจะมีแผนที่อินเทอร์เน็ตมาจากกรุงเทพบางคนก็เลยไปถึงปากช่อง โทรมาที่วัดอัมภวันถามว่าเขาใกล้จะถึงวัดอัมภวันหรื อ, อยังก็ถามว่าโยมอยู่ตรงไหนเขาบอกว่าเขาอยู่ปากช่องก็ตอบว่าเลยไปไกลแล้วเลี้ยวกลับมาใหม่มาทางจังหวัดลบบุรีแล้วเลี้ยวมาทางนี้นี่เขาก็หลงทางไปเป็นเพราะเหตุไรเพราะไม่มีแผนที่เดินทาง เดินทางสุม 4, สี่สุมห้าก็หลงทางคนหลงทางกับคนไม่หลงทางคนไหนจะดีกว่ากันคนหลงทางนี่เสียเวลาคนหลงทางอย่างเยอรมันที่กล่าวมานี้เขามีอินเทอร์เน็ตมานะอินเทอร์เน็ตบอกให้ลงดอนเมืองแม้อินเทอร์เน็ตมันก็แม่นจังนะมันบอกให้ลงดอนเมืองจากนั้นให้ไปตลาดหมอชิดเขาก็เรียกแท็กซี่ไปตลาดหมอชิดเลย เมื่อลงตลาดหมอชิดแล้วอินเทอร์เน็ตก็บอกให้ขึ้นรถปรับอากาศก็ได้ไม่ปรับอากาศก็ได้ถนนเอเชียร30ฝรั่งเขาก็ไปถามว่าถนนเอเชียร30มสมีไหมก็โอเคขึ้นเลยเดี๋ยวนี้รถบัสมันขึ้นป้ายเลยนะกรุงเทพอัมพวันก็ขึ้นเลยไม่ผิดหวังพอถึงวัดอัมพวันคนก็ลงหมดเลยไม่มีใครไปถึงปลายทางเลย อย่างเมื่อวานนี้พวกจากกรุงเทพขับรถเลยไปหมดก็ป้ายวัดอัมพวันเบเื้ริมไม่ดูกันเลยหรื อ, อยังไงอย่างนี้แพ้ฝรั่งป้ายวัดก็มีแม้แต่ใกล้จะถึงอีก500อเมตรเขาก็มีลูกศรชี้ให้ทราบว่าใกล้จะถึงวัดอัมพวันแล้วก็ไม่รู้ไปดูอะไรกันขับรถเลยไปถึงชัยนาธ วันนี้ก็ยังอยู่กันหรือเปล่าก็ไม่รู้พวกโยมที่เลยไปถึงชัยนาธแต่ฝรั่งเยอรมันคนมาจากเมืองนอกมีรายละเอียดอาตมาไปยุโรปมาฝรั่งเป็นคนขับมีแผนที่เราก็สงสัยว่าฝรั่งคนขับเขาดูแผนที่ทำไมสงสัยฝรั่งมันจะโง่มั้งต้องดูแผนที่ด้วยหรือ เราก็โง่แท้จริงแล้วฝรั่งไม่ได้โง่แต่เราโง่เองฝรั่งต้องมีแผนที่แม้กระทั่งมันขับรถของมันอยู่ทุกวันมันก็ต้องมีแผนที่ทำไมฝรั่งมันมีแผนที่รู้ไหมบ้านมันเหมือนกันบ้านแต่ละหลังมันก็เหมือนกันหมดเดี๋ยวจะมาจอดขึ้นบ้านผิดถามจริงๆโยม ผู้ชายในที่นี้เคยขึ้นบ้านผิดไหมไม่เคยนะฝรั่งเนี่ยบ้านเขาเหมือนกันและคนเขาก็แต่งตัวคล้ายกันขับรถต้องมีแผนที่บ้านนี้ไม่ต้องจอดส่วนของเราไม่ต้องไม่ต้องมีแผนที่หรอกเพราะบ้านมันไม่เหมือนกันใช่ไหมบ้านไม่เหมือนกันและลูกเมียก็ไม่เหมือนกันใช่ไหม วาดแผนที่ก็ไม่เหมือนกันบางคนวาดแผนที่โกงไปโกงมาแต่ถ้าเป็นฝรั่งไม่ได้วาดแผนที่ต้องเรียบร้อยก็บ้านเหมือนกันเรา ก, ก็เหมือนกันถ้าเป็นไทยเราเดี๋ยวนี้ขึ้นบ้านผิดเลยบ้านในต่างประเทศเนี่ยเขาสวยเหมือนกันทุกบ้านนะเรียบร้อยทุกบ้านส่วนของเรามันไม่เป็นอย่างนั้น บางบ้านก็สะอาดบางบ้านก็ไม่สะอาดฝรั่งเยอรมันนี่เก่งมาที่วัดอัมพวันได้ถูกต้องนั่งรถบัสร้อยสามสิบกิโลเมตรลงตามที่อินเทอร์เน็ตบอกลงแล้วอินเทอร์เน็ตมันก็ละเอียดบอกให้นั่งมอเตอร์ไซค์สิบบาทค่าโดยสารมอเตอร์ไซค์เมื่อปีกลายห้าบาทแต่มาปีนี้ขอ10บาทก็โอเค ฝรั่งเยอรมันคนนี้มาถึงวันแรกอาบน้ำเลยอาบสามสี่เที่ยวอาบน้ำตับพึ้มันร้อนมันพอเข้ากรรมฐานแล้วไม่อาบน้ำเลยเสื้อผ้าก็ไม่ซักดำปีเลย21สอดวันไม่อาบน้ำเลยพวกโยมจะเอาอย่างคนเยอรมันบ้างก็ได้นะไม่ต้องอาบน้ำและไม่ต้องซักผ้า มันจะเสียเวลาเดินจงกลมทำได้ไหมถ้าทำได้21อวันนะตั้งหน้าตั้งเอาอย่างนั้นเลยเขาบอกถ้าไม่ได้จะไม่กลับเข้ามาแล้วต้องเอาให้ได้เขานั่งพระเพียบได้นี่ฝรั่งอายุ24ปีเหมือนคนอายุ4ี่สิบไม่มีอะไรที่เขาทำไม่ได้ แม่เป็นแพทย์ผู้อำนวยการพ่อเป็นวิศวกรไฟฟ้ามีลูกชายคนเดียวทำไมเขาต้องมาประเทศไทยและต้องมาวัดอัมพวันเขาต้องการมาตัดสินใจว่าเขาจะไปเรียนต่อประเทศไหนเขาเป็นคาทอลิกนะเขาบอกว่าฝรั่งเศสเยอรมันสวิตเซอร์แลนด์อังกฤษไม่รู้จะไปเรียนต่อที่ประเทศไหนดี นี่เขาส่งภาษาพูดกับดอกเตอร์อัญชุรีเขาบอกว่าเขามาตัดสินใจในที่สุดทำได้แล้วเขาก็กลับไปนี่อยู่มา21วันผ้าไม่ซักไม่ต้องอาบน้ำดีมากโยมทั้งหลายกรุณาทำตามเดี๋ยวขึ้นปีใหม่แล้วไม่ต้องอาบน้ำนะแล้วก็ไม่ต้องซักผ้าเสียเวลาเดินจมกลม นาซูงอทำอย่างนี้ได้ไหมเขียนป้ายตั้งไว้เลยให้ทำแบบเยอรมันดีไหมประหยัดไปได้ตั้งเยอะเลยเข้ามาปฏิบัตินั่งได้เดินจงกรมได้และเขาก็กลับไปเสื้อผ้าดำปีเลยพวกเรานี่ไม่ต้องถึง21วันก็ได้เอาแค่เจ็ดวันก็พอไม่ต้องเปลี่ยนเสื้อผ้าและไม่ต้องอาบน้ำเดินจงกรมเสร็จ ไม่ต้องอาบน้ำกราบพระแล้วก็นอนเลยหน้าตาไม่ต้องไปล้างมันเสียเวลาใช่ไหมเยอรมันเ้าทำได้อัตมาก็บอกให้คนไปถามดูหน่อยสิเสื้อดำปีซักบ้างหรือเปล่าเปลี่ยนซะบ้างเขาบอกไม่ต้องซักเสียเวลาคนไทยอาบน้านานเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยแต่เขาก็ทำได้ผลนะ เขาตั้งใจแล้วนั่งกราบพระเลยนะเขาบอกว่าตั้งใจมาแล้วต้องเอาให้ได้เสียค่าเครื่องบินแล้วไม่ต้องไปเสียเวลาทำที่บ้านเขากลับไปก็ตัดสินใจไปเรียนต่อที่ประเทศอังกฤษตอนนี้ทราบว่ากำลังทำวิทยานิพนธ์ปริญญาโทเขาบอกว่าเดี๋ยวจะมาอีกขอฝากญาติโยมไว้ทุกคน นี่ตัวอย่างที่เขาสนใจมากพวกเราสนใจกันบ้างไหมสนใจอย่างฝรั่งเข้าไหมไม่ต้องอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้า21วันเลยเรื่องของคนขาดทมคนเราเนี่ยเหงื่อใครมันเหม็นไหมเหม็นหรือ อย่างนั้นจะไปรักไปชอบไปแต่งงานกันทําไมละ่ะเมื่อมันเหม็นอ๋อเวลาชอบกันใหม่ๆมันหอมหรือเหม็นก็ต้องบอกว่าหอมเออดีแต่ถ้าพอไม่ชอบกันแล้วมันเหม็นได้ตําราแล้วถ้าหากชอบกันแล้วเหม็นก็กลายเป็นหอมใช่ไหมแต่ถ้าไม่ได้ชอบกันมันก็จะเหม็นจริงไหม โยมคนหนึ่งอายุ73ปีไม่ถูกกับสามีตลอดมาเพราะอายุมากเข้าก็ไม่ถูกกันเลยหวนกลับไปตอนเวลาเป็นหนุ่มสาวเนี่ยหอมแต่พอแก่แล้วด่ากันตลอดมันไม่หอมแล้วอาตมาเห็นมาหลายคู่แล้วเวลาแก่แล้วพึ่งกันไม่ได้เพราะฉะนั้นจะต้องพึ่งตัวเองโยมเชื่ออาตมาเถอะ พอแก่เป็นคุณยายคุณตาก็คงลำบากเขาเพิ่งจะมาเล่าให้ฟังเมื่อเร็วๆนี้เองอายุ73ไม่ค่อยจะพูดกันแล้วก็ทะเลาะกันตลอดมีลูกเขยลูกสะพ้ายแล้วผลสุดท้ายพึ่งกันไม่ได้ด่า ก, กันตลอดเพราะเหตุใดละ่ะขอตอบเลยว่าเพราะว่าไม่เคยสวดมนต์ไหว้พระไม่เคยจเจริญพระกรรมฐานเลย เมื่อเวลาปวดเมื่อยตามตัวจะอาศัยสามีก็พึ่งไม่ได้ฝ่ายสามีอาศัยภรรยาก็พึ่งไม่ได้เพราะไม่เคยศึกษาเรื่องพระพุทธศาสนาไม่เคยศึกษาเรื่องกรรมฐานถามว่าโยมเคยสวดพาหุงมหากาบ้างไหมเขาบอกสวดไม่ได้อิติปิโสยังสวดไม่ได้เลยขอฝากญาติโยมไว้ไม่ต้องไปพึ่งกันหรอกนะ ถึงจะเป็นสามีภรรยากันขอประธานโทษถ้าจะต้องพูดแบบตรงไปตรงมาเป็นคู่นอนกันเท่านั้นเพื่อนคู่คิดมิตรคู่บ้านที่ช่วยกันเจ็บระหวยป่วยไขย้เพื่อนแก่เจ็บตายหายากมากไม่ค่อยจะมีหรอกนะเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายถ้าหากว่านึกถึงตรงนี้แล้ว จะไม่ทะเลาะกันต้องไม่คิดว่าเราเป็นเพื่อนกันและเราก็ต้องแก่อยู่ด้วยกันอย่างนี้แหละนอก็ต้องเจ็บและก็ต้องมาตายจากกันอย่างนี้ไม่มีวันกลับมาแน่นอนถ้าคิดไปปรงตกก็จะไม่มีปัญหาทะเลาะกันนี่อายุเจ็ดสิบสามปีนะเจอหน้ากันก็ด่ากันแล้วขนาดแก่ๆอย่างนี้ไม่อายเลย ไม่อายลูกเขยลูกสะพ้ายวันนี้ก็มากลับหรือยังก็ไม่รู้ไม่เห็นมานั่งฟังธรรมะเขาไม่สนใจธรรมะปวดเมื่อยตามเนื้อตามตัวบอกให้กินตะไคร้เถอะตะไคร้ชงร้อนๆแก้ปวดเมื่อยได้ตลอดนี่อายุเจิาปีนะ ตนเท่านั้นเป็นที่พึ่งของตนขอเจริญพรญาติพี่น้องทั้งหลายโปรดทราบ พ, พึ่งใครไม่ได้หรอกถ้าโยมเจริญพระกรรมฐานไปจะรู้ได้แน่นอนว่าจะต้องพึ่งตัวเองต้องช่วยตัวเองกระทั่งตายไม่มีใครเข้าช่วยเราได้แน่นอนไม่ว่าจะเป็นสามีหรือภรรยาที่รักกันแสนจะรักสุดซึง้ง ก็ช่วยไม่ได้ทั้งนั้นโยมอาซูงอพูดถูกนะถ้ารักกันชอบกันเนี่ยมันหอมไปหมดมันดีไปหมดถ้าหากว่าไม่ได้ชอบแล้วก็เหม็นเลยนี่มีหลายคนเลยอาตมาบอกโยมเราแก่แล้วเตรียมตัวตายเซเธอเขาบอกว่ายังไม่นึกถึงเลยไปบางบ้านสองคนตายายอายุตั้งแปดสิบกว่าแล้ว ปวดน้ำซะจะสวดยถาแล้วเขาทำบุญวันเกิดและก็บังสกุลกระดูกให้ปู่ย่าตายายปวดน้ําได้กันโยมผู้หญิงเขาว่ายังไงรู้ไหมหลวงพ่อคะไม่ต้องกรวดให้มันหรอกไอ่เท่าหัวงูเนี่ยมันเป็นยังไงไอ่เท่าหัวงูไม่เอาไหนเลยนี่ลูกเขยเป็นผู้พิพากษา นั่งอยู่ตรงนั้นลูกชายก็เป็นหมอเป็นแพทย์ทำไมถึงพูดเช่นนั้นกรวดน้ําร่วมกันมันจะเป็นยังไงหรือแกบอกไม่เอาไม่ขอเจอมันอีกแล้วอายลูกเคยอายลูกชายบ้างไหมโยมต้องไปเข้ากรรมฐ า, านแล้วเพราะไม่เคยปฏิบัติกรรมฐ า, านเลยถึงได้เป็นเช่นนี้ไม่มีสติเลย เตรียมตัวตายอย่างมีสติโยมจะแก่แค่ไหนก็ต้องตายเตรียมตัวก่อนตายได้ไหมอายุก็มากแล้วแต่โยมผู้ชายนี่ดีเป็นข้าราชการเก่าไม่พูดสักคำเฉยยิ้มแกบอกหลวงพ่อครับผมโดนอย่างนี้ด่าผมอยู่ทุกวันแกะจะทำบุญเท่าไรก็ให้ เงินของผมทั้งนั้นแล้วก็มาว่าผมเป็นไอเท่าหัวงูโยมผู้ชายนี่ดีแต่โยมผู้หญิงแกด่าเลยอาตมาก็บอกว่ามันเป็นบาปนะด่าสามีเนี่ยถ้าโยมทำอย่างนี้โยมมานั่งกรรมฐานมันก็ไม่ได้ผลเท่าที่อาตมาสังเกตดูแกด่าสามีและต่อว่า นานาประการแต่สามีไม่ตอบโต้บางทีเปลี่ยนหน้าสามีซะเลยโยมเคยได้ยินไหมภรรยาชอบเปลี่ยนหน้าสามีก็ขอฝากเอาไว้ปรงให้มันตกนะโยมนะโยมจะเป็นชายเป็นหญิงเป็นสาวแซ่แม่ไม้หรือจะเป็นเด็กก็ต้องตายด้วยกันทั้งนั้นก็ จะต้องตายเหมือนกันหมดทุกคนจะเป็นสามีภรรยาร่วมรักสมัครสมานกันมาอยู่กินด้วยกันจนมีเขยมีสะภ้า ย, ยังจะมาทะเลาะกันอีกถึงอย่างไรก็ต้องตายจากกันตายจากกันไปโดยที่พึ่งกันไม่ได้ทั้งตาทั้งยายถึงคราวคุณยายก็ต้องผ่าท้องจะให้คุณตาไปผ่าแทนได้ไหม ก็ไไม่ได้เกิดแก่เจ็บตายพลัดพรากล้วนเป็นกรรมของตนโยมหญิงทั้งหลายที่รักทุกท่านโปรโดคิดด้วยกันทุกคนเกิดแก่เจ็บตายพลัดพรากจากการเป็นกรรมของตนไม่มีใครก็ทำให้ ไม่ช้าเราก็แก่เป็นสาวก็ไม่จริงหลอกลวงชั่วคราวเป็นหนุ่มก็ไม่จริงหลอกลวงชั่วคราวเดี๋ยวก็แก่แย่ลงไปทุกวันสาวก็ไม่จริงหลอกลวงกันเดี๋ยวก็ยี่สิบเดี๋ยวก็สามสิบเดี๋ยวก็สี่สิบเดี๋ยวก็เท่าชแชร์แก่ชราไปยอมลงถ่ายรูปไว้ดูสินะ ตั้งแต่อายุ1 4บ5าถ่ายเรื่อยมาจนกระทั่งอายุห0 6สแล้วลองเอารูปสุดท้ายไปเทียบกับรูปต้นๆดูสิมันเหมือนกันไหมอาตมาลืมตัวไปแต่เราก็ตั้งสติเอาไว้อยู่ตอนที่บวชใหม่ๆญาติโยมเขาก็เรียกหลวงพี่นะนานไปก็เรียกหลวงนาะแล้วเอ๊ะทำไมไม่เรียกเราหลวงพี่ ต่อไปก็เรียกหลวงพ่อหลงลงุงเดี๋ยวนี้เป็นหลวงตาหลงปู่ไปแล้วไม่เห็นมีใครเรียกหลวงพี่อีกเลยเราก็กลับมานึกว่าเราอายุเข้าไปเท่าไรแล้วนึกว่าอายุแค่ 30- 40ปีเวลามันไปไวเหลือเกินนะเราก็ไม่รู้ว่าเราแก่ถึงขนาดนี้แล้วมีอยู่วันหนึ่งไปงานเข้ามา ที่อำเภอผักไหยแม้เดินขึ้นตะลิงก็แย่แล้วก็ไปเจอสาวงามตามทางเดินปากทาเสีแดงแจ๋เลยแต่งตัวเรียบร้อยเป็นเวลาใกล้ค่ำแล้วเจอหน้าเขาก็ยกมือไหว้พร้อมกับพูดว่าหลวงพี่คะไม่เจอซะนานลืมอิชันหรือยังโอ้โห ขึ้นจากตะลิ่งหายเหนื่อยเลยมีคนเรียกหลวงพี่ไม่มีใครเรียกหลวงพี่เพิ่งจะมีวันนี้แหละเขาบอกหลวงพี่ลืมฉันแล้วหรือจำไม่ได้หรือคะอัตมาก็บอกกับคนขับรถเดี๋ยวขอนึกก่อนว่าเรารู้จักเขาแล้วอาจจะลืมไปหรือว่าอาจจะเคยมาอบรมเมื่อครั้งไหนก็จำไม่ได้ นายชัยเขาก็บอกให้กลับไปเถอะเพราะมันจะมืดแล้วหญิงสาวคนนั้นก็กล่าวอีกว่าหลวงพี่เป็นพระที่ลืมคนง่ายฉันไม่เคยลืมหลวงพี่จนทุกวันนี้เขาพูดอย่างนี้เลยนะทำให้เราต้องทุกหนอทุกหนอทบทวนดูหลายทีส่วนเจ้าชัยมันก็บอกให้กลับเถอะเดี๋ยวมืด กว่าจะออกถนนใหญ่มันจะลําบากเอ๊ะเจ้าชัยนี่มันยังไงวะเขาต่อว่าเราว่าลืมเขาแหมเขารูปร่างสวยเราก็ต้องทบทวนหน่อยใช่ไหมละ่ะก็เลยทบทวนว่าคิดหนอว่าเคยเจอกันที่ไหนก็คิดนานมากเจ้าชัยมันก็เร่งเร้าให้เรากลับตอนนั้นเจ้าชัยยังไม่ตาย ปัจจุบันมันตายไปแล้วบังเอิญมีคนเดินผ่านมาพอดีก็เลยถามโยมคนนั้นว่าผู้หญิงคนนั้นเป็นใครลูกเต้าหล่าใครบ้านอยู่ที่ไหนอยากจะทบทวนว่าเขารู้จักเราได้อย่างไรโยมคนนั้นเขาพูดดีมากเลยเจ้าชัยมันก็ชักจะโมโหเราแล้วนะโยมเขาบอกหลวงพ่อ เขาเพิ่งจบมหาวิทยาลัยมาปริญญาเอกโอ้โหเราก็คิดในใจว่าเขาจะต้องเคยมาอบรมบรรยายที่วัดแน่ถ้าจะเป็นปริญญาเอกจากจุฬาหรือว่าธรรมศาสตร์แน่ๆเราคิดไกลขนาดนั้นเราก็พยายามคิดหนอคิดหนอสงสัยว่าจะจบจากจุฬาแล้วก็ ต้องเคยมาอบรมวัดเราแน่อาตมาถามโยมต่อไปว่าเขาจบจุลาหรือธรรมศาสตร์ล่ะโยมโยมเขาก็ตอบเลยจุลาธรรมศาสตร์ที่ไหนล่ะหลวงพ่อปริญญาเอกจากศรีธัร ญ, ญาเท่านั้นแหละมึนเลยเจ้าชัยมันบอกผมนึกแล้วดูมันพิกลยังไงไม่รู้เจ้าชัยมันฉลาดว่าเรานะ เราไม่ค่อยรู้เรื่องอย่างนี้เพราะเราอยู่แต่ในวัดเราคิดหนออยู่แต่ในวัดส่วนเจ้าชัยมันคิดนอกวัดมันเลยรู้ดีกว่าเราพอขึ้นรถเราก็ไม่ได้พูดอะไรกับมันเจ้าชัยมันก็บ่นผมบอกแล้วว่ามันจะมืดให้รีบกลับนี่มืดแล้วทางก็ไม่ค่อยคุ้นเคยส่วนเราก็เถียงมันไม่ขึ้นเชื่อผมหน่อยน้า ผมเจอมาเยอะแล้วหลวงพ่ออยู่แต่ในวัดจะไปรู้เรื่องอะไรต่อไปนี้เจ้าชัยบอกอะไรต้องเชื่อมันนะแต่ตอนนี้มันไม่ได้บอกเราแล้วเพราะมันตายไปแล้วนี่กรรมเจ้าชัยขับรถตู้ไปที่ผาแต้ม เพื่อเอาของไปแจกจีนฮ่อโรงเรียนลูกกำพร้าก็ไปช่วยคนเรียนหนังสือเด็กลูกจีนฮ่อพวกไต้หวันก็ช่วยบ้างเราเห็นเจ้าชัยหัวไม่มีเจ้าชายมันขับรถตู้ไปเรานั่งอยู่ข้างหลังเอ๊ะหัวเจ้าชายหายไปไหนสักครู่โผล่มาแล้วเดี๋ยวก็หายไปเราก็เรียกชาย เจ้าชัยก็ขานรับครับอ้าวหัวโผลมาอีกแล้วเอาละเห็นทีจะต้องเปลี่ยนคนขับรถเสีแล้วอย่างนี้ไม่รอดแน่เรากําหนดถึงสามครั้งหัวมันก็ยังไม่มีกรณีนี้ถ้าโยมไปเจอนะกาหนดสามครั้งถ้าใครหัวขาดกําหนดเห็นแล้วแผ่เมตตาเลยถ้าหัวมันมีไม่ขาดหายไป แสดงว่าแผ่เมตตาได้ไม่ตายกรณีของชัยแผ่ยังไงก็ไม่เจอเมื่อกลับมาถึงวัดบอกชัยเข้ากรรมาฐานเจ็ดวันเจ็ดคืนได้ไหมอย่าออกเลยเขารับปากครับผมรู้ครับเชื่อหลวงพ่อเถอะนะเขาก็รับปากครับผมเชื่อหลวงพ่อครับถ้าหลวงพ่อบอกอย่างนี้ หากไม่เชื่อก็ตายทุกรายมันก็รู้นะมันก็ไม่ยอมมาเข้าอีกเหลืออีกสองวันเรารู้คนเดียวเราคงปรงตกแล้วว่าจะต้องทาศพให้เจ้าชายในวันพรุ่งนี้แน่นอนวันนั้นทหารกองทัพ บ, บกมาอยู่กันเต็มศาลาเจ้าชายก็รีบกลับไปบ้านอาตมาก็นึกในใจว่าวันนี้เจ้าชายหมดอายุแล้ว ให้มันมาเข้ากรรมฐานมันก็ไม่ยอมเข้าอาตมาพยายามช่วยถึงขนาดนี้แล้วก็ยังไม่เชื่อทำอย่างไรก็หนีไม่พ้นนี่กรรมเจ้าชัยมันขับรถปิกอัพเอาอาหารไปให้สุนัขแล้วก็รีบกลับมา จะถ่ายรูปกองทัพ บ, บกบนสาาทหารบกเขามาอบรมประมาณสามร้อยคนเจ้าชัยมันก็รีบขับรถจากตลาดปากบางนี่เองขับเร็วร้อยกว่าเร็วมากเจอคนขี้เมาขี่จักรยานกลางถนนบเบรกก็ไม่ทันถ้าชนก็ตายก็ตัดสินใจบเบรกหักพวงมาลายัยรถก็เลยพลิกควา่า เจ้าชัยมันก็กระเด็นออกจากรถคอหักตายคาที่เลยคนขี่จั ก, กรยานก็เลยไม่ตายถ้าหากวันนั้นมันตัดสินใจชนเข้าไปเลยมันก็รอดแต่มันคงถึงกราวตายเด็กๆที่วัดร้องไห้กันหลายคนแต่อาตมาปรงแล้วว่ามันจะต้องตายในวันนี้เพราะมันไม่เข้ากรรมฐานจำไว้เลยนะโยม คนหัวไม่มีจะต้องตายเห็นหนาราคาหลายร้อยล้านแต่ไม่ใช่จะเห็นทุกครั้งจะเห็นก็ต่อเมื่อสติเราครบท่วนคนไหนจะตาขาดมันจะเห็นทันทีเหมือนอย่างกับคนเดินกลางแดดถ้าเทวดาสวยอายุยังไม่เข้ามาเสวยเงาหัวจะไม่มีแต่นี่ไม่มีเงาหัวเลยไม่มีเลยนะ ไม่ใช่เงาแต่เรื่องอย่างนี้ต้องมีประสบการณ์ด้วยตนเองจึงจะรู้ได้ถ้าไม่มีประสบการณ์ในตัวเองจะไม่รู้เลยนะหัวไม่มีมันจะหายไปในกรณีที่คนมหาที่กุติอัตมาจะสังเกตทุกวันคนไหนหัวไม่มีจะลองช่วยดูกำหนดให้ได้ให้ค้างวัดให้ได้ ถ้าค้างไม่ได้ต้องไปตายเมื่อปีที่แล้วสามคนรู้จักกันมาตั้งแต่สิบปีแล้วจะต้องตายวันพรุ่งนี้กระดูกก็ไม่เหลือก็บอกให้นั่งกรรมาฐานเจวันเจดคืนห้ามกลับทั้งสามคนเนี่ยห้ามกลับเลยนะไม่ได้มีงานต้องไปเคลียร์ทางภาคใต้งานอะไรก็ไม่รู้นะก็ตามใจเขา หลังจากนั้นสีห้าวันทราบข่าวเครื่องบินตกที่สุราษฎร์ธานีไฟไม่หมดกระดูกก็ไม่เหลือนี่แหละมันช่วยไม่ได้อย่างนี้ถ้าเชื่อเรานะก็พอจะช่วยได้แต่เขาไม่เชื่อเราครั้นจะให้เราไปบอกเขาว่าโยมหัวโยมไม่มีอย่างนี้เราจะไปพูดได้หรือหรือบอกว่าโยมจะต้องตาย เราจะไปพูดอย่างนี้ได้ยังไงเดี๋ยวเขาจะตบเข้าให้ใครๆก็กลัวตายกันทั้งนั้นถ้าหากไปบอกเขาว่าหัวไม่มีอย่างนี้จะไปพูดได้หรือพูดไม่ได้หรอกนะมีหลายคนแล้วมีโยมผู้หญิงคนหนึ่งเป็นอาจารย์สอนมหาวิทยาลัยเขาขับรถบ m w อมดับเมา ตั้งแต่ถนนสายเอเชียยังเป็นถนนเส้นเดียวอยู่เลยแต่ในปัจจุบันนี้มีสองเส้นแล้วก็บอกอาจารย์บ่ายสามโมงค่อยกลับนะรออีกชั่วโมงเดียวนะจากนั้นก็ให้สมประสงค์ชงกาแฟมาให้บ่ายสามโมงค่อยไปให้รออีกชั่วโมงค่อยไปจากนั้นเราก็มัวคุยกับญาติโยมคนอื่นอยู่ หันมาอีกทีแกไปแล้วขับรถบ m w อออกไปอ้าวตายแล้วไปถึงอ่างทองบ่ายสองโมงพอดีรถบรรทุกฟืนมาจากท่าลานข้ามถนนมาชนกับรถบ m w อมพังหมดเลยปรากฏว่าตายคาที่ถ้าหากว่าเลยบ่ายสองโมงรถมัจจุราชเนี่ยมันก็เลยไป มันจะคลาดกันอันนี้ก็เป็นเรื่องจริงเลยอาตมาพูดยังไม่ยอมเชื่อขอให้อยู่ต่ออีกชั่วโมงนี่มันทนไม่ได้เลยคนจะตายเนี่ยรู้สึกว่ามันทุรนทุรายจะต้องรีบไปตายตรงนั้นให้ได้อาตมาสังเกตมาหลายคนแล้วมีสองคนผัวเมียมาที่วัดแต่เช้าเลย จะต้องตายภายในสามโมงเช้านี้ตายโหงด้วยขับรถเบนซ์มาเขาบอกว่ามีลูกสามคนโตแล้วพอมาถึงก็ถามอาตมาสามีเป็นคนถามก่อนถามว่าหลวงพ่อจริงเท็ศประการใดช่วยบอกตรงๆนะเพื่อนผมบอกว่าเมียมีชู้ให้ผมเลิกเรารู้เลยว่าไม่ใช่มีชู้ แสดงว่าเพื่อนยุแย่ให้เลิกกันกับผู้หญิงคนนี้จะฮุบบริษัทเพราะว่ามีหุ้นส่วนอยู่และผู้หญิงคนนี้แกมีหุ้นเยอะถ้ากำจัดผู้หญิงคนนี้ออกไปได้แล้วก็เขาก็จะได้หุ้นเยอะมันเป็นเพื่อนกันแล้วก็ยุว่าเมียหรือมีชู้กับไอคนนี้และไอคนนี้ก็ไปด้วยกันบ่อยๆไม่ใช่เลยเขาเป็นเพื่อนกัน ไปเมืองนอกกลับมาซื้อของมาฝากกันก็เลยคิดว่าเมียมีชู้กับไอ้คนนี้ไม่ใช่บอกเชื่ออาตมาเธอเมียไม่ได้มีชู้หรอกเอาหัวเป็นประกันจากนั้นอาตมาก็บอกให้อยู่ที่วัดก่อนทานข้าวเช้าก่อนแล้วค่อยไปไม่ยอมจะไปให้ได้จะไปพิจิต ก็บอกว่าอย่าเพิ่งไปเลยนะสามโมงเช้าค่อยไปให้ทานข้าวปลาอาหารก่อนเขาก็ทะเลาะ ก, กันด่า ก, กันแหลกเลยอย่างนี้รู้แล้วเดี๋ยวต้องตายสามโมงเช้านี่แหละแล้วเขาก็ตายทั้งคู่จริงๆกรมาฐานขอให้สำรวมจิตตั้งสติไว้ให้ได้มันจะได้เห็นได้ชัดเจนเลยนะจะเห็นน้ำใสขยายปัญญา จิตใสขยายปัญญาได้ถ้าเราอารมณ์ไม่ดีไม่ต้องกำหนดมันจะไม่รู้เรื่องอารมณ์ไม่ดีทำอะไรก็ไม่รู้เรื่องถ้าอารมณ์ไม่ดีอย่าแผ่เมตตาให้ลูกนะอย่าแผ่เมตตาให้สามีนะอารมณ์ไม่ดีแผดเมตตาให้สามีไม่ได้ต้องอารมณ์ดีๆถ้าอารมณ์ไม่ดีเนี่ยแผ่ไปแผ่มาเดี๋ยวสามี มีเมียใหม่เลยนะจะบอกให้นะโยมโยมอสุงอเข้าใจไ้ยต้องอารมณ์ดีก่อนกำหนดก่อนค่อยแผ่เมตตานะกรณีดังที่กล่าวมาข้างต้นกล่าวหาเมียมีชู้ตะพื้นก็บอกเขาว่าอัตมารับประกันและก็ถามว่าคุณสมชัยไม่เชื่ออัตมาเลยหรือโยมกับอัตมารู้จักกันมาตั้งยี่สิบปี เมียไม่มีชู้หรอกเชื่อเราเถอะโยมไปโดนเสี้ยมสอนมาด้วยความอิดชา้าลูกตั้งสามคนแล้วทำไมเป็นอย่างนี้ไม่ยอมคนมันจะตายทั้งคู่เขาก็ขับรถออกไปเลยเป็นอันว่าไม่เชื่อเราหรืออธมาก็บอกให้ทานข้าวก่อนเพราะสองวันแล้วที่ไม่ได้กินข้าวกัน มัวแต่ทะเลาะกันแล้วเขาก็มาถามเราว่าเมียมีชู้จริงไหมจะได้ตัดสินใจเลิกกันไปเลยอัฐมาก็บอกเขาว่าไม่มีหรอกขอเอาหัวเป็นประการจากนั้นก็ผลุนผลันขับรถออกไปเลยไปถึงทางแยกที่จะไปตากฟ้าทะเลาะกันด่ากันแหลกขับรถร้อยสี่สิบ รถซุงสวนมาก็ตัดสินใจเลยขับรถพุ่งชนรถทุงเลยตายทั้งคู่ตายด้วยอำนาจโทสะกลายเป็นอะไรรู้ไหมกลายเป็นอสุรกายเดี๋ยวนี้ยังอยู่เลยถ้าใครมาตอนตีหนึ่งตีสองก็จะเห็นสองคนผัวเมียรถจะมาคว่มตรงบริเวณ น, นั้นบ่อยนี่ตายด้วยอำนาจโทสะต้องเป็นอสุรกาย ทะเลาะ ก, กันมันเหมือนยกักคนที่ขับรถคือผัวส่วนเมียนั่งมามีปืนด้วยถ้าตบแล้วก็ยิงเลยนะก็ยังหาเรื่องว่าเมียมีชู้ไปเชื่อคนอื่นได้บอกให้เจริญกรรมฐานจะได้รู้ก็ไม่เอาอะไรก็ไม่เอาก็เลยขับรถปล่อยให้วิ่งร้อยสี่พุ่งชนรถทุงเลย รถสูงมันก็ไม่เป็นอะไรคันมันใหญ่แต่รถเบนพังหมดเลยตายคาที่อย่างนี้ญาติโยมจำไว้ตายด้วยอำนาจโทสะจริตจะเป็นอสุรกายดุร้ายมากไม่ต้องไปเชิญผีหรือว่าวิญญาณบ้านเข้าหรอกนะคนที่รถชนตายเนี่ยจะว่าตายดีหรือไม่ดีไม่ใช่ต้องถามดูว่าตอนตายเนี่ย มันมีสติดีอยู่หรือเปล่ามันทะเลาะกันไปต้องเป็นอสุรกายแน่เดี๋ยวนี้ยังอยู่เลยเมื่อสองวันก่อนไปวัดดงรังมาเขาก็ยังเล่าเรื่องนี้เลยเขาเจอสองคนนี้บางทีขี่รถไปเนี่ยยืนขวางถนนเลยสองคนผัวเมียทิ่ตายยืนขวางถนนตกใจรถคอพับคว่ำลงไปเลยตายอีก ผีมันบังคับให้ตายดังนั้นถ้าคนขับก็บอกญาติโยมไปให้แผ่เมตตารับรองว่าผีอะไรก็ไม่มีท่านจะขับรถอย่างปลอดภัยแรงกรรมของโลภะโทสะโมหะเห็นไหมเนี่ยอำนาจโลภะ ตายไปก็ต้องไปเป็นเปรตอำนาจโทสะตายไปเป็นอสุรกายดุร้ายมากอำนาจโมหะต้องไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานตรงนี้เป็นเรื่องสำคัญคนที่ตายบนถนนนี่นะเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าตอนที่เขาตายเนี่ยเขาอารมณ์ดีหรือไม่ดีถ้าหากเขาตายโดยอารมณ์ดีอยู่เขาก็ไม่มีอะไรเขาไม่ไปทางไหน ไม่ต้องไปเชิญดวงวิญญาณเข้าบ้านเข้าช่องไม่ต้องไปทําสารไปทําสารทําไมแผ่เมตตาให้เขาไม่ต้องไปเชิญดวงวิญญาณเข้าบ้านเข้าช่องถึงเวลาเขาก็ไปบ้านเองถ้าหากเขาตายตอนที่เขาอารมณ์ดีนะคนที่ตายโดยที่เขามีสตดิดีเขาจะไม่อยู่ตรงนั้นแล้วตายแล้วก็ก็ไม่อยู่ตรงนั้น วิธีที่ถูกต้องคือแผ่เมตตาอย่างเดียวไม่ต้องไปสวดมนต์ไปทำบุญให้กับคนตายตรงนั้นหรอกเพราะเขาตายจิตเขาก็ไปแล้วทิ้งสังขารไว้ตรงนั้นเองเหมือนอย่างที่อาตมาตายแล้วถูกรถชนคอหักตาย4ี่สิบศพตายมากมายมันก็ไม่ได้อยู่ตรงนั้นแล้วมันก็ไปหมดแล้วเพราะอะไรเพราะจิตของเขาดี รถมันชนกันตายโดยที่เขาไม่ได้ทะเลาะกันแต่ถ้าจิตไม่ดีแล้วตอบได้เลยเป็นอกุศลกรรมก็อยู่ตรงนั้นคนผูกคอตายเหมือนกันทำบุญอย่างอื่นก็ทำให้ไม่ได้ต้องนั่งกรรมฐานอย่างเดียวจึงจะได้นี่ในกรณีคนที่ฆ่าตัวตายนะถ้าอย่างนั้นจะไม่ได้รับนี่มีตำรายเยอะเลย อย่างเช่นกรณีสองคนผัวเมียที่กล่าวมาแล้วอำนาจโทสะอย่างแรงเลยนะและเมียก็เกิดโทสะด้วยก็บอกว่าให้อยู่สักคืนหนึ่งได้ไหมอาตมาก็ให้เหตุผลถ้าหากโยมเชื่อว่าเมียมีชู้ก็ไม่ต้องเสียอกเสียใจเอาอย่างนี้ไหมยังไม่ต้องกลับค้างที่นี่สักคืนหนึ่งก่อนจะได้บอกให้ตัดสินใจ นั่งกรรมฐานสักห้าวันได้ไหมก็ไม่เอาคนจะตายยังไม่เอาอีกนะอาตมาก็ขอร้องเขาว่าจะเลิกกันก็ขอให้เลิกกันด้วยดีได้ไหมอย่าทะเลาะกันถ้าจะฟ้องหยา ก, กันก็ฟ้องไปมีอะไรกโกรธกันหรือเปล่าก็ไม่มีไอ้เพื่อนมันมายุว่าเมียมีชู้เชื่อมันไปได้ ก็ขอฝากท่านสาธุชนทุกคนว่าไม่ว่าจะทำงานอะไรก็แล้วแต่ใครมาบอกอะไรอย่าเชื่อนะเป็นผู้นำต้องตามไปดูให้เห็นด้วยตาอย่าไปคิดสั้นๆเป็นผู้นำเขาแล้วเป็นผู้ใหญ่แล้วใครมาบอกอะไรเชื่อเขาไม่ได้อัตมาไม่ค่อยจะเชื่อใครต้องเชื่อเหตุผลบางคนมาบอกมาฟ้อง คนนั้นไม่ดีคนนี้ไม่ดีโกหกแล้วโกหกทั้งเรื่องเลยถ้าเราเชื่อเขาก็เสียเรื่องเลยเพราะเราเป็นผู้ใหญ่ไม่ใช่เด็กเชื่อสุ่มสี่ซุมห้าไม่ได้ต้องไปดูกับหูรู้กับตาอย่างต่ำก็ต้องเข้ากรรมฐานรู้หนอรู้หนอหายใจยาวๆตั้งสติให้ดีเดี๋ยวสติมันจะบอกเองว่า คนนี้โกหกเสียงหนอมาพูดกับเราอย่างนี้คนโน้นเป็นอย่างนี้ถ้าสติเราดีจิตจะบอกจากสติว่าคนนี้พูดโกหกอย่าเชื่อถ้าเชื่อไปเสียเรื่องเป็นความจริงเลยไม่อย่างนั้นเดี๋ยวมีเรื่องกัน อารมณ์เสียทำให้ขาดสติมีอยู่หลายเรื่องเรื่องโน้นเรื่องนี้เขามาบอกมานินทากันนินทากาเลเหมือนเทน้ำกันไม่ได้เรื่องได้ราวแต่ประการใดฉะนั้นอารมณ์นี่แหละสำคัญมากอย่าให้เสียถ้าอารมณ์เสียหรืออารมณ์ไม่ดีจำไว้เลยขาดสติถ้าหากเป็นครูบาอาจารย์ ต้องสอนนักเรียนก็สอนไม่ได้ดีเลยถ้าเป็นนักธุรกิจค้าขายไม่ได้ผลต้องขาดทุนอย่างแน่นอนออเดอร์ก็ไม่มีต้องไม่มีออเดอร์มาแน่ถ้าอารมณ์ไม่ดีจึงต้องสวดมนต์ไหว้พระนั่งกรรมาฐานก่อนใหอารมณ์เย็นถ้าเราทำจนเคยชินแล้วอารมณ์ดีแล้วจะทำอะไรก็ได้หมดจะแผ่เมตตก็แผ่ด้วยอารมณ์ดี อารมณ์ไม่ดีแล้วอย่าแพ้แพ้ไม่ได้เลยนะเวรกรรมที่กระทำต่อกันมีโยมผู้ชายคนหนึ่งเล่าให้อัตมาฟังว่าภรรยาอยู่ด้วยกันมีลูกกันสามสี่คนแต่สุดท้ายก็ไปมีผู้ชายอื่นผู้เป็นสามีก็ตัดใจจากภรรยาได้ ก็เป็นเรื่องที่ดีสามีภรรยาเป็นเพื่อนคู่ทุกข่ยากคู่ลําบากเป็นศัตรูกันถ้าหากเป็นเวรเป็นกรรมมันก็สามารถจะฆ่ากันสามีสามารถฆ่าภรรยาได้ภรรยาก็สามารถฆ่าสามีได้สรุปว่าภรรยาเหมือนงูเห่าพระพุทธเจ้าสอนแต่งูเห่าตัวนี้จะกัดเราไหม ถ้าเรามีกรรมฐานนั้นเราจะรู้เลยว่าเราสร้างกรรมกันมาไหมถ้าไม่ได้สร้างกรรมต่อกันมาก็ไม่สามารถจะฆ่ากันได้บางคนเนี่ยอาตมาเคยบอกหลายครั้งแล้วว่าอย่าไปเชื่อพระหมอดูเชื่อกดแห่งกรรมมีฟ้าเหนือฟ้ามีกฎแห่งกรรมจากกันไปสิบปีเขาไปมีผัว ส่วนผู้ชายก็ไปมีภรรยาต่างคนต่างอยู่กันเราก็บอกเออตามใจนะแต่เดี๋ยวต้องอยู่ด้วยกันบอกแล้วว่าอย่าไปฟ้องหย่ากันแต่ก็ไม่เชื่อแล้วในที่สุดก็ต้องมาอยู่ด้วยกันแล้วก็มานั่งกรรมฐานเป็นประจำต่างคนต่างมีอย่าลืมว่า ต้องมีอิสระเสรีนะและเดี๋ยวนี้ก็มาอยู่ด้วยกันเหมือนเดิมทําไมไปอยู่กับคนนั้นมันเป็นอย่างนั้นอยู่กับคนนี้ต้องเป็นอย่างนี้เวนกรรมตามสนองมันทุกชีวิตต่างมีกรรมเวียนไหวในวั ต, ตะสงสาร อย่าลืมว่าชายจริงหญิงแท้คนแก่หน้าบูชานั้นมีอยู่คู่เดียวมีพระพุทธเจ้าเท่านั้นและพระเวสสันดรกับนางมัตสีนอกจากนั้นไม่ได้เพราะต่างคนต่างมีเวรมีกรรมต่างเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏฏสงสารหาดินหลุดไปไม่ได้ความรักความพอใจมันอยู่ที่เหตุผล และกดแห่งกรรมจากการกระทำของตนอาตมาบอกแล้วว่าโยมไปมีสามีถูกเขาหลอกไปสามีไปมีภรรยาแค่ชั่วคราวพอหมดเวรหมดกรรมแล้วก็ต้องมาอยู่ด้วยกันสุดท้ายแล้วเดี๋ยวนี้ก็กลับมาอยู่ด้วยกันเราบอกแล้วเขาก็ไม่เชื่อเป็นเพราะเวรกรรมของเขาเองมันไม่ใช่อย่างอื่นหรอก เพราะฉะนั้นไม่ต้องไปว่ากันว่าคนนั้นไม่ดีคนนี้ไม่ดีไม่ได้เพราะการกระทาของเขาคนนั้นไม่ดีฉันไม่อยู่แล้วไม่ใช่ใครหนอจะทำอย่างนั้นต้องการดีด้วยกันทุกคนแต่ที่นี้เวรกรรมตามสนองมาก็ต้องใช้กรรมเก่าต้องทำดีใช้หนี้กรรมเก่าให้ได้ แต่ต้องไม่สร้างกรรมใหม่ต่อไปอย่างนี้ใช้ได้หมดเวรหมดกรรมบางคนแยกกันไปแต่สุดท้ายก็ต้องกลับมาอยู่ด้วยกันที่เราก็มีเอาข้อสารมาให้ทีละห้าสิบกระสอบเราก็ไม่เคยถาม แตเรารู้แล้วยี่สิบกว่าปีแยกกันไปอยู่ภรรยาไปมีผัวสามีไปมีเมียเราก็คิดว่าเวรกรรมหนอช่วยไม่ได้เมื่อเขาหมดเวรหมดกรรมก็กลับมาเองบางคนดื่มเหล้าไม่ต้องไปเทศไม่ต้องไปเทศอนเลยเดี๋ยวหมดเวรหมดกรรมเขาก็เลิกเองคล้ายๆกับว่าเขารู้นะเดี๋ยวนี้เป็นมหาปรเรียนด้วย เดิมเหล้าวันตั้งหลายขวดเมียพูดไม่ดีตบเราก็บอกกับภรรยาเขาไม่เป็นไรมานั่งกรรมฐานแผ่เมตตาไปหนักข้าวเวกรกมหมดไปเองเขาจะเลิกเองไม่ต้องไปแผ่เมตตาให้เลิกเหล้าไม่เลิกคอยดูสิหมดเวนหมดกรรมจะเลิกได้พอถึงเวลาเลิกเลิกเลย เลิกแล้วก็เข้าวัดทันทีไม่มีใครชวนด้วยฉะนั้นเวรกรรมตามสนองเมื่อหมดเวรหมดกรรมก็แค่นั้นเลิกดื่มสุราเข้าวัดต่อไปนี่ชัดเจนฉะนั้นการเจริญกรรมฐานขอให้ทำกันจริงๆสักหน่อยเดินจงกรมเดินดูเท้าบางแห่งให้ดูพื้นไม่ได้ต้องดูที่เท้า ให้สติกับจิตอยู่ด้วยกันให้ได้สอนไม่เหมือนกันสักสำนักยืนหนอห้าครั้ง <_ d ata> เหมือนอย่างกับผู้ชายที่บวชเนี่ยก่อนห่มผ้าพระอุปชาจะให้กรรมฐานว่าเกษาโลมานะขาทันตาตาโจตาโจทันตานะขาโลมาเกษาเบื้องต่ำปลายผมลงไป เบื้องบนปลายเท้าขึ้นมายืนหนอห้าครั้งยืนทบทวนตั้งแต่ศรีรษะลงปลายเท้าปลายเท้าขึ้นศรีรษะห้าครั้งถ้าทำได้ดีแล้วจะรู้เลยพอเห็นคนปั๊บจะรู้นิสัยเป็นยังไงแต่ทำได้แล้วก็ได้หมดไม่มีอื่นใดก็ขอฝากญาติโยมเอาไว้ด้วย ไม่สู้ไม่หนีมันสร้างความดีเข้าไว้การเดินจงกรมและแผ่เมตตาเราทําแล้วก็แผ่เมตตาให้ลูกให้ครอบครัวเพราะคนเรามีเวณมีกรรมด้วยกันทั้งนั้นบางทีถึงเวลาแล้วแตกกันไปบ้านแตกสระรกขาตามเวณกรรมหมดเวณหมดกรรมก็ต้องกลับมาอันนี้อาตมาไม่ได้ว่าใกล จะไปว่าคนโน้นไม่ดีคนนี้ไม่ดีพูดไปอย่างนั้นเองไม่ว่ากันบางคนเข้ามาเล่าให้อัตมาฟังขอให้อัตมาช่วยตำหนิเ้าหน่อยอัตมาก็ไม่ตำหนิทำไมรึเวรกรรมของคนไม่เหมือนกันธรรมมาไม่เหมือนกันอย่าไปว่ากันอย่าไปใส่ร้ายป้ายสีซึ่งกันและกัน ไม่สู้ไม่หนีสร้างความดีเข้าไว้ใครจะว่าอย่างไรก็จ้างสร้างความดีเข้าไว้ให้ได้เท่านี้เองก็หมดเรื่องหนักเข้าเวนกรรมก็หมดไปเองอย่างอัตมาอธิษฐานจิตบอกเจ้ากรรมนายเวนถ้าขบเจ้าฟื้นคืนมาจะใช้นี่เวนกรรมให้หมดไปชาติหน้าต่อไปขบเจ้าจะไม่ขอมาเกิดถ้าใช้นี่มนุษย์หมดแล้ว ขอให้อัตมาตายไปเลยกลับฟื้นคืนมาได้เนี่ย22ปีแล้วหมดอายุไป22ปีที่อัตมาคอหักเนี่ยนะถูกรถชนเป็นกรรมที่เราหักคอนกมันโยมท่องกรรมฐานจะรู้กฎแห่งกรรมของตัวเองว่าเราทำกรรมอะไรไว้บ้างจะบอกได้ชัดเจน จะได้ใช้หนี้ให้หมดไปอาตมานี่รับกรรมต่างๆและใช้แล้วยายให้เอาเข้าวไปถวายพระแต่กลับเอาไปกินซะเองก็ป่วยปากเท่ารูเข็มตอนที่เข้าเฟือกคอหักน้ำต้องดื่มทีละหยดทีละหยาดเท่านั้นเองก็ไม่มีโอกาสที่จะทำได้ไม่ต้องไปใช้ชาติหน้า ชาตินี้เห็นทันตาอย่างสามีภรรยาคู่เวรคู่กรรมไม่ใช่คู่ทุกข์คู่ยากกันเท่าไรถ้าหากสร้างความดีร่วมกันก็เป็นคู่ทุกข์คู่ยากคู่ลำบากด้วยกันถ้าหากว่าไม่สร้างความดีจะเป็นคู่เวรคู่กรรมทะเลาะกันจนกระทั่งตายนะทะเลาะกันจนแก่แล้วก็จนกระทั่งตายให้กรวดน้ำ ร่วมกันยังไม่เอาเลยเป็นอย่างนี้แหละหนอคู่เวรคู่กรรมก็จะต้องทะเลาะกันจนกระทั่งตายคู่ทุกข่ยากคู่ลำบากด้วยกันจะไม่มีอะไรเลยจะตายจากกันไปด้วยความดีบางคนนั้นเขาจากกันไปด้วยความชั่วช้าสามานไม่มีอะไรที่จะดีได้เลยอันนี้เป็นกฎแห่งกรรมที่ไม่ต้องไปว่ากันนะ ในกรณีที่ว่านั้นมีชู้คนนี้มีชู้อาตมาเองไม่เคยว่าใครแม้กระทั่งที่เรารู้อยู่แล้วว่าคนนั้นเป็นชู้กับคนนี้อันนี้เป็นกรรมของเขามีฟ้าเหนือฟ้ามีกฎแห่งกรรมคงจะไม่มีอีกแล้วเชื่ออาตมาเถอะถ้าเราไม่สร้างเวรสร้างกรรมมาทำยังไงก็ไม่หมด เช่นเราไม่เคยฆ่าใครก็ไม่ต้องกลัวเขาก็จะไม่ฆ่าเรานะถ้าเราไปฆ่าเขาไว้เขาก็มาฆ่าเราแน่นอนขอฝากญาติโยมไว้ในโอกาสนี้นี่กรรมของหลวงพ่อเพราะฉะนั้น การทำกรรมฐานที่ดีที่สุดเป็นการสร้างบุญโดยไม่ต้องใช้เงินใช้ทองอาตมาสอนมานานแล้วเราจึงรู้ล่วงหน้าว่าจะคอหักตายสติบอกชัดเจนเลยว่าจะต้องตาย14ตุลาเวลาเที่ยง4 5ต้องรถชนคอหักตายเมื่อถึงเวลาก็เป็นตามจริง เราลงไปเหวที่แม่สอดลงเหวเลยนะเวนกรรมตามสนองของใครของมันใครทำให้กันไม่ได้และใครก็ช่วยกันไม่ได้ไม่ใช่หมายความว่าเราจะช่วยเขาได้และเขาจะช่วยเราได้คงไม่ใช่ต้องช่วยตัวเองตลอดและสอนตัวเองตลอดไม่มีโอกาสที่เราจะพึ่งใครได้ ก็ขอฝากญาติโยมไว้ในโอกาสนี้ด้วยมันเป็นผลงานเดินมาตามมรกคาอาตมาได้รับเวรรับกรรมมามากแล้วข้อหักแขนหักขาหักฟ้าก็ผ่าเป็นเปรตปากเท่ารูเข็มเป็นมาแล้วทั้งนั้นตามจำนวนที่เราทำเวรทำกรรมมาโยมจะว่าไม่จริงไม่ได้นะสร้างความดีจะเห็นกรรมทันที สร้างความชั่วจะมองไม่เห็นจะต้องไปใช้หนี้ในเมืองนรกชัดเจนไม่ใช่เรื่องเลวหลายแต่ประการใดอาตมารับกรรมมาหมดแล้วตอนที่คอหักเนี่ยหายใจทางสะดือยุบหนอพองหนอเลือดเต็มจมูกสเสรจเต็มคอเลยนะคอพับไปเลยรถชนคอหัก นาวาตรีวาดเกตแก้วเอาเข้าวสารมาถวายทุกปีก็ตายตายไปพร้อมกับอาตมาเขาตายไป22ปีแล้วแต่อาตมายังอยู่ถ้าเราไม่มีบุญวาสนาที่ว่าจะมาใช้นี่มนุษย์ให้หมดไปในชาตินี้แล้วอาตมาก็คงจะต้องตายในวันนั้นแล้วคงจะไม่ได้มาพบญาติโยมอีกต่อไป อาตมาจำได้ดีวันที่14ตุลาคมพุทธศักราช2521ัเวลาเที่ยงส5บรถทัวทันจิตนะครสวรรค์วิ่งเข้ามาชนจำไว้ถ้าเราเคราะหหามยามร้ายรถจะไม่เห็นเราถ้าเราเดินข้ามถนนรถก็จะไม่เห็นเราและเราก็จะไม่เห็นรถโครมตายเลย อย่าไปว่าใครเลยเราบอกเราไม่เอาค่ารักษาพยาบาลสตางค์เดียวก็ไม่เอาตายก็ไม่เอาค่าทำศพเพราะเป็นเรื่องของเราเองที่เราจะต้องตายไม่ต้องมาช่วยทำศพรถทัวทันจิตก็วิ่งไปนครสวรรค์ไม่ต้องมาเสียเงินเสียทองให้อัตมาแต่ประการใดนี่ชัดเจนแล้วเพราะเราทำกรรมไว้เอง จะไปเรียกร้องกับคนอื่นเขาทำไมให้เขาจ่ายค่ารักษาให้เราก็ไม่ต้องเลยอาตมาต้องไปรับเวรรับกรรม52วันอยู่ที่โรงพยาบาลคอหักพับไปเลยหยุดสร้างเวรสร้างกรรมด้วยการถือศีลห้า ขอฝากญาติโยมทั้งหลายอย่าสร้างเวรสร้างกรรมเลยบอกลูกบอกหลานอย่าฆ่าสัตว์ถ้าเรานั่งกรรมฐานแล้วปานาติบาตถ้าเราทำกรรมฐานจริงๆแล้วมันจะไม่ฆ่าสัตว์มันจะมีแต่เมตตาสัตว์จะรักชีวิตของเขาเหมือนชีวิตของเราอธินาทานก็ไม่อยากจะได้เงินได้ทองของใคร กาเมสุมิช้าจานเราก็จะไม่สนใจเรื่องนั้นหลอกลวงโลกหวังเอาลาบเราจะไม่อยากได้ของใครจะไม่โกหกใครอีกต่อไปมันเป็นบาปเราจะสันโดษมากน้อยดื่มสุรายาเมาเราจะเลิกเพราะอะไรทำให้เป็นโรคประสาทนี่ชัดเจนมากในกฎแห่งกรรมนี้ อาตมาประสบมาทั้งหมดแล้วเลิกเลยถ้าหากใครยังฝ่าฝืนศีลธรรมที่น่าเสียดายนะไม่น่าจะทำนะมีชีวิตอยู่ด้วยความรักความเมตตาต่อกันเรามีเมตตาต่อกันดีกว่าที่เราจะมีความอิจฉาริษยากัน ถ้าเราผูกใจเจ็บต่อกันมันก็จะเกิดสิ่งเหล่านี้ขึ้นมาคือ 1. มันเป็นสาเหตุให้ทาให้แตกแยกความสามคัคคี 2. เป็นอุปสรรคในการประสานงานที่ดี 3. ขาดขวัญและกำลังใจต่อผู้ปฏิบัติงาน 4. สร้างศัตรูให้กับตัวเอง 5. ไม่มีความจริงใจกับใครเลย เพราะฉะนั้นไม่ควรจะผูกใจเจ็บไม่ควรอิจฉาริษยาใครเป็นหลักดังที่กล่าวมานี้ใครจะร้ายกับเราก็ช่างเขานะเขาร้ายมาอย่าร้ายตอบเขาไม่ดีมาเอาความดีเข้าแก้ไขคนตรนีให้ของที่ต้องใจคนพูดเหลวไหลให้ความจริงใจไปสนทนาเท่านี้ก็พอแล้ว ขออนุโมทนาสาธุการแก่ญาติโยมทั้งหลายในวันนี้ด้วยและจะได้เจริญกรรมฐานกันต่อไปตามสมควรแก่อัตภาพตั้งใจสร้างความดีเียแตบัดนี้เป็นต้นไปขออำนาจคุณพระเสิรัตนาตรายัยและบุญกุศลทั้งหลาย โปรดประธานพรให้ญาติโยมเราได้มาบำเพ็ญกุศลกันในวันขึ้นปีใหม่ในกุศลบุญราศีในเวลายามนี้เวลาดีตั้งใจสร้างความดีเสียแต่บัดนี้เป็นต้นไปไม่มีการทะเลาะวิวาดกันอีกต่อไปแล้วขอให้บุญกุศลดนบันดาลสมปรารถนาดังที่กล่าวแล้วขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรยัย และบุญกุศลทั้งหลายโปรดประทานพรให้ญาติโยมทุกท่านจงเจริญด้วยหน้าที่การงานและเจริญด้วยคุณธรรมสัมมาปฏิบัติในหน้าที่และจงเจริญด้วยอายุวันะสุขภะละปฏิพานธนสารสมบัตินึกคิดสิ่งหนึ่งประการใดสมความมุ่งมา่ปรารถนาด้วยการทุกรูปทุกนามในโอกาสนี้เทิน